أعوذ بالله من ا ل ش ي ط ن ا ن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ببه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا الع الع ل ل ه ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله و ح د ه لا شريك له وأشهد أن نبينا م ح م د ا أبد ورسوله أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตสกล่าวว่าท่านผู้ ا รัทธ ك ในพระคัมภีร์อัลกุ ا ين ين ل านท่านผู้ศรัท م าในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านผู้ศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่ ر นผู้ทธาใคีรอัลกุรอาน่น้องที่รคักทุอกุรท่านผรัาในพวะคัีรอัลกุรอาน่านผ้ศรัทธาใพระคัอัอานทานผ้รานระคมภรอัลอาน่านผู้ัานพระคัมภีรอัลุรอาน่ารัทธรุั ไฟนฟอบาเหมือนกับที่ท่านบีมัลลัมก็ได้บอกกับพวกเราไว้นะครับว่าจงคานหาสาเพราะในาหารหนั้นมีบาตกค่แล้วก็สหรับพี่น้องใหมท่านนะครับท่านเลือกที่จะทานสาไปด้วยแล้วก็รับฟังบรรยาไปด้วยก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ขออให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นบ่าวที่อัลลอ์รักครับผมเราได้คุยกันไปแล้วนะครับถึง แก้วสัญญาณที่แสดงให้ดูว่าพา่อวอซุฮารัวตานั้นรักฉันสำหรับพี่น้องที่ทักทวงว่าอาทิตย์ทีรัลเนมันสั้นยังก็คำตอบก็คือสัญญาณเน็ตมีปัญหานะครับก็เลย ตัดวนไปอย่างนั้นนะครับผมเรากาลังคุยกันครั้งถึงเรื่องการสรุปสัญญาณทั้ง9ข้อแล้วเราก็จะมาพูดคุยเกตและเกตน้อยในบางสัญญาณใน9ข้อที่พูดว่าสัญญาณไหนที่ผมอยากจะขอย้าําเตือนกับพี่น้องเป็นพิเศษในแค่สัญญาณที่เราบอกคำว่าที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรักเราสัญญาณแรกก็คือเมื่อคนในสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นมีความเมตตาให้กันและกันมีความอ่อนโยนให้กันและกันบนพื้นฐานของศรัทธา นั่แสดงให้เรู้ว่าข้อบครัวนั้นอัลลอฮ์รักเขาอันที่สองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่การทําความชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันยากสำหรับเรานั่นแหละแปลว่าอัลลอฮ์รักเราอันที่สามครับเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่ารู้สึกรักศาสนาอิสลามรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นมุสลิมรู้สึกดีมากๆที่ได้ทําตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นั่นก็แปลว่าอัลลอฮ์รักอันที่สี่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การช่วยคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเรา เดี๋ยวก็เชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวก็เชื่อคนนี้ได้ใครมีปัญหาเข้ามาหาเราเขาจะสามารถกลับไปอย่างยิ้มแย้มนั่นแสดงเห็นว่าอัลลอฮ์รักคนคนนั้นทสียเดียวกันครับแล้วข้อที่ห้าครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกทดสอบ ท, ทั้งทั้งที่เรานั้นเป็นคนดีทั้งทั้งที่เรานั้นทําความดีแล้ว เ, เดินทดสอบเราคิดแล้วคิดอีกว่าเราทําผิดตรงไหนเราคิดอะไรไม่ออกเลยจริงจริงเรารู้แต่ว่าเราก็ทําสิ่งที่อัลลอฮ์รัก แต่เรายังถูกทดสอบอยู่นะั่นแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักคนคนนั้นเช่นเดียวกันแล้วขอ้อหครับเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราถูกลงโทษตั้งแต่ดุนยาถูกลงรงยีบการลงโทษตั้งแต่ในดุนยาให้เรามีสติแล้วเราได้คิดเราได้กลับนี้กับตัวนะั่นแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รั ก, ลรกแล้วข้อที่เจดครับเมื่อไรก็ตามที่เรารับที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัมเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่นบีทำเราก็อยากจะทํา ไปซะหมดทุกอย่างนั่นคืออัลลอฮ์รักคนคนนั้นแล้วข้อแปดครับสําหรับใครก็ตามที่เขารักที่จะได้พบเจออัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ก็รักเขาแล้วข้อเก้าครับใครก็ตามที่อัลลอฮ์เขามีจุดจบที่งดงามคนคนนั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอย่างแน่นอนนี่คือเก้าข้อครับที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรักเราซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันอย่างละเอียดพร้อมกับตัวบทหลักฐานแล้วตัวนี้ครับเรามาคุยกันครับว่าในเก้าข้อนยครับสัญญาทางเกนะ้ามีข้อไหนที่ผมอยากจะขอ พูคุยกับพี่น้องเป็นพิเศษข้อที่ผมอยากจะขอเตือนพี่น้องเป็นพิเศษก็คือข้อที่5ครับผมการที่ว่าเรานั้นถูกทดสอบเพราะเรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักหรือเพราะเรานั้นทําความดีบางคนทําความดีมากมายแต่โดนทดสอบหนักซึ่งอย่างที่เราบอกก็คือเราทดสอบบ่าวตามความสามารถหรอหมานของเขามีเรื่องหนที่ผมอยากจะมาแชร์ครับวันนี้อยากจะมาแชร์กับพี่น้องเกี่ยวกับประวัติของท่านนบีอายูบเพื่อ เป็นเกาะป้องกันเพราะผมดูแล้วว่าในเก้าข้อเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าข้อที่ห้าเนี่ยเป็นฟิตรนาที่ค่อนข้างจะหนักแล้วพวกเราจําเป็นจะต้องมีภูมิระดับหนึ่งมีภูมิคุ้มกัน ร, ระดับหนึ่งเพื่อว่าถ้าเราถูกทดสอบได้กับข้อห้าเราจะไม่เสียคนไปก่อนเพราะว่าพูดจริงๆนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมจํานวนไม่น้อยถูกทดสอบด้วยกับการที่มีความคิดกับอัลลอฮ์ในด้านลบ บางคนเขาก็พูดตรงๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจาร์เนี่ยฉันเดินทดสอบนะคือบางทีถึงขั้นไม่พอใจในสิ่งที่เอาระให้เกิดหรือว่าที่ท่า น, นบีทําเขาบอกมันจะค่อยคอยแวเะเข้ามาขอรู้ว่าความคิดอีเงี้ยมันทําให้เป็นการาฟิดได้แต่ว่าแวะแรกที่มันคิดบางทีมันก็ห้ามยากคนหลายคนถูกทดสอบด้วยกับบททดสอบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะมาชวนคุยประวัติของนบีอายุพเพื่อที่พวกเราจะได้มีภูมิผลกันใน لا ت ب ن ه كاب. ر ى ي و صار ك ب و فاس وهان وطارك عواركابو و ذ ك ر أبدا أ ي و ب إثناء د ا ر ب ه أني م س ن ي ل شيطان بنسب وعداب وركت ب ي ر ل ك هذا مغتسل بارد وشراب وبهبنا له أ ه ل ه و م ث لهم معهم معهم رحمة منا والذكرى ل ؤ م الباب. วัชส b y a ล i k a d i g s t ครับถ้าเกิดเราดูบททดสอบของนบีต่างๆครับเราจะพบว่านาบีอายุเนี่ยเป็นนบีที่ได้รับบททดสอบที่ว่าฉีกแนวไปจากนาบีท่านอื่นได้รับบททดสอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ในความชัดเจนนั้นก็มีความหนักหน่วงในรูปแบบที่ว่า หลายคนคิดไม่ถึงแล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนทั่วไปด้วยใช้คําว่าตรงกันข้ามกับคนทั่วไปเพราะตามธรรมชาติคนปกติมักจะคิดว่าใครก็ตามที่เขาเจออะไรไม่ดีในชีวิตเยอะๆเนี่ยเราก็มักจะไปคิดก่อนว่าอ๋อเขาต้องเป็นคนชั่วแน่ๆเขาต้องเป็นคนไม่ดีแน่ไอ้นีน่มันทําผิดขนาดไหนกัออนอัลลอฮ์ถึงได้ลงโทษขนาดนี้เรามักจะคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เรามาฟังประวัติของนบีอายุบแบบสรุปแบบรวบลัดกันเพื่อที่ว่าเราจะได้บางทีจะได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็จะได้ระวังในเรื่องบททดสอบด้า น, นี้ด้วยพี่น้องที่รักครับท้านนบีอายุบเนี่ยแน่นอนครับนบีแต่ละท่าในกลุ่มชนนั้นเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดถ้านาบีอายุบได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ว่าเป็นที่รักใคร่ของร้อยแน่นอนแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของชาวเมืองท่านนั้นมีครอบครัวมีภรรยาที่รักแล้วก็สวยมีลูก ที่ว่าเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายเป็นคนที่ร่ํำรวยมีสุขภาพที่ดีลูกหลาของท่านก็งดงามฟังดูคือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ว่าเอาไว้ให้ความโปรดปานอย่างมากมายแก่เขาไ บ, บีอายุครับเวลาที่ว่าชาวเมืองใครก็ตามมีปัญหาก็มักจะมาหาท่านน บ, บียอายุเป็นประจำใครที่ไม่มีเงินต้องการเงินต้องการอาหารมหาน บ, บีอายุกลับไปเขามีความสุขใครที่ว่าลูกไม่สบายอาการป่วยไข้ามาท่านเ บ, บียอายุ ขอให้น บ, บียุบช่วยดูแลให้น บ, บียุก็ขอดูแลจากล้อ้เด็กคนนั้นหายป่วยไข้เด็กก็มักจกอาการดีขึ้นคือเมื่อใครจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามมาหาเน บ, บีอายุปุ๊บจะกลับไปอย่างมีความสุขนี่คือคนในลักษณะของบุคคลที่เอารักถูกไหมครับน บ, บียยุบนั้นเป็นบุคคลที่เอารักมากจนกระทั่งครับท่านได้ถูกบททดสอบด้วยกับการที่ว่าครอบครัวของท่านลูกๆของท่านนั้นเสียชีวิต แล้วความมั่งคั่งของท่านนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยล ง, ลยลงแล้วตัวของท่านนาบีอายุเองกลายเป็นมีโรคประจําตัวมากเลยมีโรคจำนวนเยอะเลยแล้วก็ถึงขั้นว่าท่านนาบีอายุเนี่ยเป็นโรคผิวหนังที่ว่าน่ารังเกียจมีตุ่มมีหนองผู้พองที่ว่าใครอยู่ใกล้ๆปุ๊บทนไม่ได้เหมินสุภาพนบีเรากำลังพูดถึงใครครับพูดถึงนบีของอัลลอฮฺ ท่านโดนอะไรครับโดนบททดสอบแทบจะทุกรูปแบบเท่าที่คนคนหนึ่งจะโดนได้โดนทั้งร่างกายโดนทั้งจิตใจโดนทั้งทรัพย์สินโดนทั้งครอบครัวโดนทุกอย่างเลยพี่น้องน่าจะคิดภาพออกนะครับว่าในเบียยุคที่โดนทดสอบด้วยกับบททดสอบหนักนี้เป็นระยะเวลาหลายปีชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรแล้วชาวเมืองจะมองท่านอย่างไรจนเบียยุคถึงขั้นว่าท่านั้นโดน ใส่ไล่ส่งออกมาจากเมืองชาวเมืองมองว่าเนี่ยเป็นตัวการลีบ้านการลีเมืองอันเนี่ยอยู่ดูสิเจอแต่พบแต่ความหายนะต้องเป็นคนที่อลัลลอฮ์เกียดชาวเมืองบางคนก็พูดคุยกันว่าโอ้ยยุไปทําอะไรผิดมาเนี่ยอลัลลอฮ์เกีย์ขนาดนี้เลยแล้วกระนัว่าเป็นคนดีที่ไหนแรกเป็นคนไม่ดีด่วนตาสินนบีเรียบร้อยสึ่งเจงามบีเองก็อาการหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเคื่อนไหวตัวเองแทบจะไม่ได้ ในบททดสอบที่หักหนาสาหัสครับความเมตตาของลอร์ก็ยังมีอยู่แล้วท่านอบเบียยุผู้ลอร์ก็ให้ภรรยาของท่านอบีบียยุซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดีนั้นนางเป็นภรรยาแล้วก็เป็นสุดยอดภรรยานางอยู่ข้างกายสามีตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยที่จะห่างไกลไปไหนแล้วก็ไม่เคยที่จะรู้สึกไม่ดีกับการอยู่กับอับีบียยุนี่แหละครับประเด็นที่ผมกําลังพูดให้พี่น้องคิดกันว่าอับเบียยุถูกทดสอบเพราะอะไรครับท่านทําอะไรผิด ท่านไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะในบียยุบไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่เพราะว่าอัลลอฮ์รักท่านมากจึงทดสอบท่านมากในกุรอานครับผูเรู้ใช้คําว่าจงคิดถึงสิเมื่อที่อายุปเนี่ยได้บิณวบาตขอต่อนายของเขาว่าผมนั้นถูกชัยตอนมายุแย่แล้วผมก็เจอกับความเหนื่อยยากเจอกับความทุกข์ทรมานเมื่อเบียยุบ สุบานอัลลอฮ์ท่านโดนหนักขนาดนั้นท่านไม่เคยว่า อ, ลอัลลอฮ์เลยทําไม่ได้ว่าลร้อนเนี่ยอย่าร้อนทำไมให้ฉันเจอหนักขนาดนี้ฉันอุตส่าห์เป็นบ่าวที่ดีทําไมร้อนฉันไม่สบายทําไมอร้อนครอบครัวของฉันลูกฉันตายไปทําไมร้อนทรัพย์สินหายไปทําไมอร้อนฉันแกศชราทำไมร้มอนฉันนั้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บทําไมเป็นผิวหนังผู้พองทําไมคนลังเกียจที่มีเียยกไม่ได้ตัดเพราะพ่อร้อนสุบานาานะฮูอัลลาฮ์เลยอันนี้เป็นประเด็นที่อยากให้พี่น้องคิดให้ดีนะครับผม เวลาเจอสิ่งที่เราไม่ดีไม่ชอบใจแล้วบางทีเราอาจจะเผลอคิดว่าอัลลอฮ์หรือคิดว่าท่านอบีมุสลาะสลัมที่เป็นแบบอย่างอะไรก็ตามถ้าเราไปยุบรู้ว่าตอนเนี้ยบททดสอบมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ทําได้กับสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียแต่ประเด็นปัญหาตอนนี้คือความรู้สึกของท่านมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่ามันไม่ไหว ซึ่งท่านรู้ว่าที่ท่านรู้สึกหนักกับที่ท่านรู้สึกไม่ไหวเนี่ยมันมาจากชัยตอนที่คอยอยุเ ย, ยเพราะนั้นพี่น้องท่านใดที่ลิกคิดในเร้่ลบต่อละขอให้รู้ครับว่าชัยตอนกําลังยุ่ยย่เราพยายามอ่านว่าอูซูบินแลมชัยตอนนี่เราจีมแล้วก็พยายามอดทนอินชาอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะตอบแทนครับผมในที่นี้ครับที่าียกุกกรโดนหนักมากหนักมากจ น, น, นชาวเมืองเนี่ยไม่อยากจะมีใครเข้าใกล้ละยังเหลือเพื่อนสนิท ของท่านอยู่ประมาณสองคนที่ว่ายังไปมาหาสู่กับท่านอยู่ก็ยังไปเยี่ยมท่านอยู่พี่น้องที่รักเรากลับมาคุยถึงภรรยาของท่านนบีไอยูครับภรรยาของท่านนบีไอยเป็นพี่ิงที่飒 ส, สวยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแก่ชราละเนื่อง ก, นะกับบททดสอบที่หนักหนานางต้องดูแลสามีปฏิบัติดูแลสามีแล้วก็ต้องหาริสกีมาให้กับทั้งคู่ด้วยบททดสอบที่หนักมากของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่านางก็ไม่เคยปี่ปะกบน นางก็ไปหาคนที่เคยมาขอความช่วยเหลือในบีอายุก็ไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ความช่วยเหลือแก่นางบททดสอบของผู้หญิงที่อ่อนแอคนหนึ่งผู้หญิงที่เริ่มชราแล้วคนหนึ่งนางก็พยายามไปหางานคือนางไม่ได้ไปขอสลากรเพราะว่าครอบครัวของท่านเบีวยวัสดุสารไม่รับไม่ว่าจะเป็นเบีวยวัสดุสารสลัมหลวงเบีท่านใดก็ตามไม่รับสลากร รับแต่ให้ดียาเท่านั้นรับแต่ของขวัญให้โดยเสนหาไม่ใช่บริจาคภรรยาของเนบีอายุก็รู้ว่าระเบีอายุไม่รับแ น, น่นอนตัวนางก็ไม่รับด้วยนางก็เลยทํางานแลกกับอาหารซึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ทีนี้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานแล้วนางก็หิวทรมานมากสามีของนางก็ไม่ได้ทานอะไรก็ทรมานเช่นเดียวกัน นางก็ไปหาบ้านบ้านหนึ่งครับพอไปที่บ้านนั้นก็ไปเจอกับแม่บ้านที่ว่าเคยมาขอความช่วยเหลือในยุบเหมือนเดิมนั่นแหละนางก็ไปขอทํางานแลกกับอาหารผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกว่าฉันไม่มีงานอะไระให้เธอทําหรอกแต่ถ้าเธออยากได้เงินนะขายผมของเธอให้ฉันสิขายผมของเธอให้ฉันสินสั่นเป็นการขายเส้นผมครับในประชาชาตินั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อารม์มเช่นเดียวกับประชาชาตินี้ เนื่อจากความที่เส้นผมของพาริญญาเบียยุคเนี่ยสวยมากในหมู่ผู้หญิงด้วยกันจะรูุว่าผู้หญิงด้วยกันมองเห็นเอารับ ก, กันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ในอดีตนะครับเรื่องวิเครื่องอะไรมันก็มีมานานแล้วผู้หญิงอยากมีผมสวยๆก็ไปหาคนที่ผมสวยยาวๆเอามาใส่ต่อให้กับผมของตนเองซึ่งฮารอมนะครับฮารอมสําหรับพวกเราแนละบอกไว้เกิดการต่อผมแต่ทีนี้ครับคนที่ขอก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไง ก็บอกกับภญานาเบียอายุว่าถ้าหากว่าอยากได้เงินนะก็เอาผมมาแลกสิพญานาคคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก ค, คือมันลําบากสุดๆแล้วนางก็เลยจํายอมที่จะว่าตัดผมตัวเองเพื่อขายเพื่อเอาเงินมาหาอาหารให้กับสามีพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อถึงเวลากลับไปบ้านมีอาหารไปให้สามีทานนางก็ดีใจครับผม แต่นบียยุบเมื่อเห็นภรรยาของตนเองผมสั้นนบียยุบถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอตัดผมเพราะภรรยาของท่านนี่คือรักผมมากแล้วผมก็สวยมากแล้วก็ปล่อยไว้ยาวตลอดคือทรมานแค่ไหนก็ดูแลผมอย่างดีอันนี้เกี่กับความรู้เสริมนะครับเทระบีมอ ส, รสมโรสบอกมันแกนา ร, รูชาตฟายุคลิมชาลหูใครก็ตามที่มีเส้นผมจงดูแลเส้นผมของเขาให้ดีเพราะั้นการดูแลเส้นผมก็เป็น สุนนะของท่านระเบียร์วัสรอร์สลามทาให้มันดูดีครับผมไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดนะแต่ทําให้มันดูดีให้ตัวเราดูดีเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ทีนี้ครับเมื่อท่านรบียร์อายุคาดขันภรรยาของท่านก็สารภาพความจริงบอกเนี่ยน้องขายผมซึ่งผมขอเองมาพี่น้องที่รักยินครับหนึ่งก็สามีที่ดีสองก็ภรรยาที่ดีท่านรบียร์อายุท่านถือว่านี่คือทรัพย์สินที่ได้มาจากวิธีที่ฮารอม ขายซื้อผลฮาลอมนี้นี่คือทรัพย์สินที่ได้มาจากวิธีที่ฮาลอมเชนเบียุคโกรธจัดทั้งๆ ท, ที่แบบว่าท่านก็ไม่ไหวแล้วท่านก็รักภรรยามากแต่ท่านพอ ร, รู้ว่าภรรยาเลือกหาริสกีโดยใช้วิธีที่ฮาลอมถึงแม้จะลําบากแค่ไหนก็ตามเชนเบียยุบถือว่ายังไงก็ต้องให้รักรักไว้ก่อนท่านจะไม่เลือกวิธีที่ฮาลอมเด็ดขาด เมือ่อภรรยาเลือกวิธีที่ฮารอมจ่นเบียยุบโกรธจัดครับแล้วก็สาบานนะครับบอกว่าขอสาบานต่อล้อหากฉันอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะฟาดเธอร้อยแท้สาบานต่อล้อเลยด้วยนามขอล้อซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับผมภรรยาท่านทำอะไรผิดไหมถ้าเราพูดในความคิดของเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็มันถึงขั้นจำเป็นสุดๆแล้วก็เพื่อทั้งสามีเพื่อชั้งตัวเองด้วยแต่ท่านเบียยุบมองอีกมุมหนึ่ง อ่ะตอนนี้มีการมองกันคนละมุมละภรรยามองถึงความจำเป็น ส, สุดๆแต่ระเบียยุมองว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้วท่านจะไม่บริโภคอาหารที่มาจากวิธีที่ฮารอมเด็ดขาดแล้วท่านก็ได้สาบายไปเรียบร้อยแล้วเราพักประเด็นนี้ไว้ก่อนครับจริงเรื่องของระบียยุก็มีอุทาหรณ์เยอะมากๆถ้ามีโอกาสเราอยากจะนั่งคุยกันแบบใจเย็นนิดนึงแต่ประเด็นนี้เราก็เอาเท่าที่ไปได้แล้วกันในเชาวันนะครับเรามาดูกันต่อครับหลังจากนั้นครับ ชาวเมืองก็เริ่มพูดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านวิญญาณก็พยายามอดทนอดทนอดทนใจทนชาวเมืองพูดกันหนาหูมากขึ้นว่าอัลลอฮ์เกลียดนบีอายุบแล้วนบียุบก็เลยต้องพบกับความสูญเสียขนาดนี้นี่นะครับคือประเด็นที่มาของอายะกุรานครับเมื่อนบีอายุบได้ยินคําพูดนี้ใจท่านไม่สงบแนละ้วคือถ้าอัลลอฮ์ทดสอบท่านทนได้ท่านรับได้แต่ตอนนี้ท่านเองก็เริ่มคิดแล้ว ในทับซีดนะครับเชฟนกกระซีดที่ได้กล่าวไว้แล้วก็บอกว่าบางอ น, นุประสานบางคนบน้าตระเหยที่นเบียอายุเนี่เริ่มคิดเองแล้วว่าหรือว่าอล้อเกลียชันจริงเอหรือว่าล้อเกเอลีกยชันหรือว่าฉันทําสิ่งที่ไม่ดีจริงแล้วเราไม่พอใจเอาล้อก็เลยให้ฉันต้องเจอกับสิ่งที่หนักหนาขนาดนี้หรือเปล่าซึ่ง ว, วานละโดนหนักมากหลายปีมากๆแล้วชาวเมืองก็พูดกันหนาหูหนาหูหนาหูหนาห ผลเสียท่านเบยุปก็เลยขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอให้ท่านนั้นรอดพ้นจากบททดสอบที่กำลังเจออยู่จากอัลกุรอานนี่แหะครับที่เราดูในอัลกุรอานที่เวลาพูดถึงดุอาของนเบยุปในช่วงนี้จะมีอยู่สองที่ด้วยกันในอัลกรุรอานแต่เราพูดแบบสรุปประมวลข้าวๆก็คือผลเสียท่านเบยุปก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์บอกยาวล้อต่อเนื่ผมไม่ไหวแล้วบททดสอบมันหนักเลยเกินสําหรับผมมันหนักจนถึงขั้นว่าผมเองก็เริ่มคิด ไม่ใช่ว่าในบียยุบทนไม่ได้แต่ที่ทนไม่ได้เพราะว่าใจท่านก็เริ่มคิดว่าหรือว่าท่านเป็นคนเลวจริงหรือว่าอัลลอฮ์ไม่รักท่า น, านเึียยุบเคยขอโดยจากอัลลอฮ์่าอัลลอฮ์หากว่าบททดสอบนี้เป็นบททดสอบข้อความและขอให้ผมหายจากมันด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทําอีเวนต์ต่อพวกที้อยากเต็มที่อีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อที่ชาวเมืองนั้นเขาจะได้เข้าใจเพราะตอนนี้ชาวเมืองก็ผ่านคิดแล้วว่าที่ท่านเบียยุบทําทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่ดี มันมีผลกระทบหลายอย่างผลสุดท้ายในเบญจุก็ขอดัวขอดัวขอดัวจนพวกล้อตอบรับดูอาการขอของท่านให้ท่านกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีทรัพย์สินแล้วก็มีลูกหลานแล้วก็ท่านก็กลับมาหนุม่มชะกันพร้อมกับภรรยาคู่ทุกข์ยากของท่านก็กลับมาหนุ่มสาวภรรยาพอกลับมาเจอสามีอัลฮัมหรือละหายป่วยจัดบททดสอบที่ล้อทดสอบ สังคู่ต่างขอบคุณเราล้อที น, นี้ครับเรากลับมาที่ประเด็นหลักของเราก็คือแน่นอนครับพี่น้องคงยังไม่ลืมว่านบีอายุบได้บนบานเอาไว้นบีอายุบได้บนบานเอาไว้ว่าจะทําการฟาดภรรยาเป็นหนึ่งร้อยแท้ด้วยกันในอายุกุร์ดพวกเราได้ประทานอธิบายมาเลยครับผมถึงความรักที่เราเล่ามีเก็บเนบีอายุบแล้วก็มีต่อภรรยาของกัน เพราะลูกรับว่าพุสธพยดิค่าิรสันฟ้า ضرب บี๋และไม่ถล๊ า, าสอินน์ว่าเจ้าทาเราได้พูดกับอายุว่าถ้าเช่นนั้นเพราะตอนนี้มาบีอายุก็ร่างกายแข็งแรงแล้วไงต้องทำตามที่บนบานล้วซึ่งคำพูดของระบีคคำไหนคำนั้นนาบีไม่โกหกอบและนี่ยิ่งสาบานด้วยนามของอัลลอ์ตอนนี้จำเป็นต้องฟาดภริยาซึ่ง ท่านก็รู้ว่าภรรยาท่านทำเพราะความจําเป็นคนดีต้องมาถูกฟาดเพราะทําในสิ่งที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดมางคร้งอาจะรู้สึกว่าทําไมหนักขนาดนี้พี่น้องพ่อร้อยรู้ดีที่สุดครับพ่อร้อยได้บอกกับเมย์อยุว่าเอาไม้มามัดรวมกันไม่ต้องไปยกเลิกคําสาบานไม่ต้องกลัวว่าจะผิดคําสาบานเอาไม้มาหนึ่งร้อยอันเอามารวมกันทีเดียวเลยฉันเอายุบเอาไม้ทั้งหนึ่งรออันมามัดรวมกัน แล้วก็เมายนั้นตีภรรยาหนึ่งทีถือว่าครบหนึ่งร้อยเพราะมันมีร้อยอันแล้วตีไปทีนึงก็ถือว่าครบหนึ่งร้อยครัวร้อยให้เพื่อเป็นการให้อภัยแสดงความเมตตาแล้วก็บอกให้รู้ว่าภรรยาของระเบียยุบก็ได้รับการให้อภัยเรียบร้อยแล้วแล้วนางนั้นก็เป็นผู้หญิงที่ดีด้วยนางนั้นก็เป็นผู้หญิงที่ดี อินนาวัชนาู่เราได้พบว่าเขานั้นเป็นบ่าวที่อดทนเนี้มันอับดู้คับเป็นบ่าวที่ดีงามแล้วเขานั้นก็เป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวอยู่ตลอดเวลาครับนี่เป็นเรื่องราวแบบพอสังเกตเกี่วยวกับประวัติของท่านในบีอายุซึ่งประเด็นที่ผมอยากให้พี่น้องได้ระหนักก็คือว่าบางครั้งถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยหรือถ้าเกิดเราเห็นใครสักคนที่เรารู้สื่ว่าเขาเป็นคนดีละเกิน และถ้าเกิดเจอสิ่งที่เลวร้ายกับเขาเจอสิ่งหนักหนักกับเขาอย่าเพิ่งรีบไปยัดเยียดอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินเขาอย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเราเองว่าอัลลอฮ์เกลียดฉันใช่ไหมหรือฉันชั่วร้ายใช่ไหมห้ามคิดถึงผู้ล้อในด้านลบเด็ดขาดถ้าจะคิดด้านลบไปคิดกับเซตอินู่นเพราะถูกต้องรู้สึกแล้วถ้าคิดด้านลบ ก, กับเซตอิเพราะฉะนั้นใครที่ว่ายิ่งทำดียิ่งถูกทดสอบขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักถ้ารู้สึกว่าหนักเหลือเกิน ในช่วงท้ายของสรุบบรบะกเราะฮ์อัลลอฮก็มาะทานยักรามาแล้วดูอาขอสิครับลาอูกะลิฟุลลอฮูนัสซันิลาอุอฮะอัลลอฮจะไม่ บ, บังคับใครเกิน ค, ความสามารถของเขาขอได้ว่าจเจ้าลอเลออัลลอฮโปรดอย่าได้บังคับฉันโปรดอย่าได้ทดสอบฉันในสิ่งที่มันเกินความสามารถของฉันอย่าได้ทดสอบฉันอย่าได้ให้บททดสอบแก่ฉันในสิ่งที่มันหนั ก, ห น, กหนักเหมือนกับที่คนก่อนหน้าฉันเจอมาด้วย โปร ด, ดให้ไพร์ชันโปรดเมตตาชันโปรดให้ชันรอดพ้นจากไฟนรกขอด้วยว่าเอาครับพี่น้องแล้วก็ทุกบททดสอบที่มันหนักหนักมันจะผ่านไปได้ด้วยดีอินชาอัลลอฮ์ประเด็สําคัญคือความคิดกับใจของเราอย่าคิดถึงพวกลอในด้านลบเด็ดขาดอันนี้คือประเด็นที่ผมอ ย, า, ยอากจะขอฝากเมื่อเราพูดถึงคุณลักษณะทางก้าวที่แสดงให้ดูว่าอัลลอฮ์รักเราอันนี้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ว่าผมไม่อยากเห็นใครโดยเฉพาะคนดีๆต้องมานั่ง ด่าว่าตนเองว่าฉันทําผิดอะไรฉันเป็นคนชั่วใช่ไหมฉันเป็นคนเลวใช่ไหมแล้วก็มองตัวเองในด้านลบห้ามมองพัวล้ในด้านลบเด็ดขาดซึ่งคําถามที่ว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านถามกันมาบ่อยอาจารย์ตรูฉันจะแยกก็อย่างไรหรื ว, ว่ามันเป็นบททดสอบหรือมันเป็นการลงโทษพี่น้องปากใดก็ตามที่พี่น้องอย่างคิดแบบนี้อยู่อัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮ์แล้วแปลว่าอาลัลลอฮ์รักพี่น้องอยู่ ไม่ว่ามันจะเป็นการลงโทษหรือมันจะเป็นบททดสอบเราอย่าลืมเมื่อเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เราหวังให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราหวังให้เัาอให้ความช่วยเหลือเราตราบใดก็ตามที่เรายังเคารพอัลลอฮ์อยู่มันจะเป็นบททดสอบหรือมันจะเป็นการลงโทษไม่สำคัญพี่น้อง สำคัญแค่ว่าเราได้คิดคิดถึงลอหละเราได้ขอไปเท่าต่อลอหละแล้วเราได้กลับในะกับตัวส่วนลอครับผมก็่สำหรับพี่น้องที่สลามานะครับยังไม่ได้ทักทายกันเลยวันนี้ผมก็คุยยาวเนี่ยนะครับผมคุณรุ่นอารุณ น, นะครับสีแสงสลามานะครับก็วันก็สลามอุตุลอว่าบารักาตั ว, ละวะาาแล้วก็เชือ่อเดียวกันก็คือกดแชร์กดไลค์กดโพสต์ให้แล้วนะจ๊ะก็ก็ว่าจะทักหลายรอบแล้วนะครับกดไลค์หรือว่ากดลนะไลค์นะครับผมแซวเลื่นยๆนไม่ว่ากใครนะครับผม เจษาคมลาขอบคุณมากครับผมเช่นเดียวกับคุณหมออาร์นะครับสุทธิรักษ์นะครับก็เป็นเช้าทํางานหนักก็รักษาสุขภาพด้วยทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งสลามมาก็ไว้ในคุณศรัณย์บารมุณละว่าบารักาตู่ครับยาที่ดียานแผลยาแผนปัจจุบันนะครับก็ติดต่อหมออาร์ได้นะครับผมผมก็เป็นคนไข้อยู่นะครับผมก็อทำดีรักก็ขอร้เมตตาครับผม ย่าวกีแล้ครับว่าผันอัส่ า, าลา้กม่น ม, น ม, มนาดออิลลลาฮิวะลลว่าแวอินนั่นัน ا ل ีนเพราะแล้วใครอาจะพูดดียิ่งไปเสียกว่าคนที่เขานั้นเรียกร้องเชิญชวนไปส่วลเราพูดกับผู้อื่นว้ให้มีความอดทนนั้นนี่คือบททดสอบนะอัลลอฮ์รักนะมุสลิมเราเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเพราะว่าหลายครั้งที่เราต้องการกำลังใจ อยู่เป็นกลุ่มในปัจจุบันกลุ่มแบบไหนก็ได้เรามีหลายรูปแบบแล้วมีสื่อโซเชียลออนไลน์ถูกไหมครับบางคนอยากจะบอกเนี่ยอาจารย์เชันอยู่คนเดียวในพื้นที่ของฉันเลยเนี่ยฉันจะไปหากลุ่มที่ไหนพี่น้องเข้าเฟซพี่น้องเข้าไลน์พี่น้องเข้าสื่อต่างๆมีกลุ่มมากมายที่คนดีๆที่เขารวมตัวกันเพื่ออรอซึ่งฟลอกก็ย้ําว่าใครแหละจะพูดดียิ่งไปกว่ากลุ่มคนที่ว่าเรียกร้องเชิญชวนไปสู่วนรอ ไม่ใช่เรียกร้องเชิญชวนไม่ใช่แค่พูดแต่เขานั้นก็ยังเลือกที่จะทาสิ่งที่ดีแล้วเขาก็ยืนยันก้าพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าว่าอินนนมินัลมุสลิมีนและฉะนั้นก็เป็นผู้ศรัทธาลาตาสวิลฮะวลาลซยพอรากล่าวคว่าความดีกับความชั่วมันย่อมไม่เหมือนกันคนบางคนทาความดีแต่ชีวิตยังลาบาก กับคนบางคนทําความชั่วแต่ชีวิตสะดกสบายพวกเราบอกว่าความลําบากกับความสะดวสบายน่ะมันเป็นบททดสอบมันไม่เกี่ยวว่าคุณดีหรือคุณไม่ดีคุณเป็นคนดีคุณอาจจะสะดกสบายคุณเป็นคนดีคุณอาจจะลําบากคุณเป็นคนชั่วคุณอาจจะสะดวสบายหรือคุณอาจจะลําบากมันไม่ได้วัดอะไรเลยแต่สิ่งที่วัดคือการงานที่เราทําถ้ามันเป็นการงานที่รับที่ทำแล้อัลลอฮ์รัก กับการงานที่ทําแล้วเราไม่รักมันย่อมไม่มีทางที่จบเด็ดกันพอตัวางแล้ครับอีเดฟาบิลตีฮิอาซันเวลาใครทําอะไรพฤติกรรมไม่ดีที่เราไม่ชอบให้ตอบโต้หรือกับรูปแบบที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าถ้าเขาด่ามาฉันต้องด่ากลับถ้าเขาต่อยมาฉันต้องต่อยกลับฉันเป็นนักเลงไม่ใช่ครับผมอันนั้นมันอันตรภานอันนั้นไม่อันตรภานวิสินเรามีความเข้มแข็งในขณะเดียวกันเราก็มีความ อ่อนโยนเพราะงั้นการตอบโต้พยายามเลือกตอบโต้ด้วยกับผู้แบบที่ดีกว่าจะกับคู่ครองกับลกูกหลานกับสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านกับพี่น้องมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต่อให้เป็นสิ่งสาระสัตว์ล้วมีแบบอย่างสุ น, นัที่ดีงามมากมายรักนบีทำให้เหมือนนบีแล้วก็ทำให้เหมือนนบีไม่ใช่แค่ด้วยกับปากต้องด้วยกับพฤติกรรมจริงๆ แล้วก็ทนบีนั้นตัวตนท่านเป็นอย่างไรต้องทําให้เหมือนกับตัวตนของท่านรบีมัสรอยสลัมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งพวรวรบอกว่าถ้าเราพยายามตอบโต้ด้วยกับรูปแบบที่งดงามกว่าพลรวร ก, ก็จะให้เกิดสิ่งที่งดงามกับชีวิตของเราอาจจะให้ความเกลียดชังที่มีในระหว่างกันนะ่ะมันลดน้อยลงไปซึ่งเราพบในภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผม หลายครั้งที่ว่าพวกเราเลาะให้ความเกียดชังน้อยลงบางทีอยาจจะเกลียดชังเพราะไม่เข้าใจบางทีอยาก จ, จะเกียดชังเพราะอะไรก็ตามแต่แต่เมื่อเราฝ่ายที่รับพยายามตอบโต้ได้กับรูปแบบที่ดีที่สุดให้เวลาสักนิดหนึ่งอินชาวเลาะเลาะใช้เกิดสิ่งที่ดีกับพวกเราทุกคนครับผมพี่ซันมาสิที่รักนะครับอย่าน้อยใจนะครับดูบอกทาำมห้ฉันหม่อตอบสามชั้นอะวัยนี้คุณสาามรบตัวเลอะว่าบริกาตูสำหรับเอ่อนักเรียนในห้องเป็นไปไม่ได้ที่จะ ไม่ตอบสลามนะครับผ ม, บา ม, มาคุณดุลลับบ ก, ลก์ก็สลามมาก็ไปคุณสลามกับตุลลับบกษณ์บกรกาตัวแล้วก็พี่สาวผมพี่วันนีนะครับก็สลามมาก็ไปคุสลามกับตุลลอบกรักาตัวอ่าพี่วันนีวันนี้พร้อมพร้อมสู้เลยครับอ่าขอมาชาลลาห์ขอละมิ ต, ตาครับผมพี่น้องที่กพูดแล้ว ก, กว่าวมา oh a a oh a a h h อยู่ละก้อฮะอิลลัลลีลซบรุมักอ่บ่าวายอยูลก้อฮะอิลลาดูัิ้อบดุลยพูดแล้วกว่าคนที่จะทาแบบนี้ได้พี่น้อง คนที่ว่ามีใครทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วพยายามตอบโต้ด้วยกับรูปแบบที่ดีที่สุดทพวกเราร์บอกว่าไม่มีใครจะทำแบบนี้ได้นอกจากต้องเป็นคนที่มีความอดทนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นภายหลังที่ใครก็ตามสามารถตอบโต้พฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยกับพฤติกรรมที่ดีได้ขอให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนแล้วท่านเจตนาเข้าบริสุทธิ์เขาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักโวมาอยู่ละก็ฮาอิลละกูฮัดดินอัลิมแล้วใครก็ตามที่สามารถที่จะมีความอดทนแบบนี้ได้เนี่ เขาย่อมเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งที่ยิ่งใหญ่ส่วนแบ่งยิ่งใหญ่หมดทดสอบหนักแค่ไหนก็พร้อมที่จะอดทนเพื่อเ a า l a h เหมือนกับภรรยาของฟาโรห์สามีตัวงนี่ยชั่วสุดเลี้ยสุ ด, สดตัวเองดโดนทรมานสุดโดนทำร้ายสุดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทรมานหนักแค่ไหนไม่มีใครรู้ทรมานจนตายพี่น้องขี้ ด, ดูฟาโรห์ทำร้ายสัพภรรยาของตนเอง ผู้ที่เรียงดูในบิมุลซาโดนหนักมากหนักนั ก, น, กนักจนเมื่อใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หิงคนนี้ขอดัอจากอัลลอห์ว่าไงผู้ศรัทธาคนนี้ขอดัอจากอัลลอ์ว่านายของฉันโปรดสร้างบ้านให้แก่ฉันในสวรรค์คือนางพร้อมจากยุมยาแล้ว นางไม่เคยโทษไม่เคยแผลว่าล้อยาวล้อยในฉันลษาเป็นมุสลิมทำไมฉันลำบากทำไมฉันออกจากพระราชวั ง, วงทำไมฉันดุคารมแนทำไมให้ฉันเนี่ยต้องเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมต้องโดนลงโทษขนาดนี้จัเกือบตายเพราะฉันเป็นมุสลิมนางไม่ได้พูดเลยนางตัดประเด็นนั่นเลยพอนางรู้นางใกล้าตายแล้วถูกทดสอบหนักด้วยความที่นางเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เลือ ก, กทียสัตแท่ อ, อัลลอฮ์แล้วก็เชื่อในสิ่งที่อั บ, บีมูซายนะ์นมาบอกนางโดนหนักจรง การจิตตะลารันพี่ต้องจิตตะลากันไม่ออกเรอเพะพีคนนึ่จะต้องแบกรับแค่ไหนจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตพอใกล้ตายกับขอร้ยายจ่าแล้ว ว, ลว่าอย่างเหรโปรดสร้างบ้านให้แก่ฉันในสวรรค์โปรดให้ฉันห่างไกลจากพฤติกรรมที่ชั่วร้ายของฟาโรห์แล้วก็กลุ่มชนของพวกมันนีเทิดซูบานเหรอแล้ ว, ลวานางก็ได้รับการตอบแทนที่ดีงามตอนมีชีวิตอยู่อาจจะโดนทดสอบแต่มันก็เป็นแคช่ชวงเป็นเดียวประดาวถึงเวลาถ้าตายปุ๊บทุกอย่าง ก, จก็จบ ว่าอิมมายาเซากันนักมิลชีตานีั้กุลฟัสตัยส์บิลลาอินนุหวะซมอาลมะาชาพูดเลนะครับเวลาที่เราอยากจะอดทนแล้วเราอยากจะเลิอกอดทนชัยตอนมันจะมายุหย่แน่นอนมันจะเข้ามาหาพวกเราทุกคนแน่นอนตลอดเวลาด้วยเวลาที่เราต้องอดทนแล้วเราไม่อยากทน อัลลอฮ์บอกไงครับอย่าลืมนะให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เราคงจะเฉยตอนแล้วก็อัาอูดุบิลาเมชิตตอนเดอรจีมแล้วก็อดทนเพื่อหวังความตัดกันที่งบงานจากอัลลอฮ์ครับก็ขอรับจากอัลลอ์สุภาพนุวาตลาในเดืนดอนร م ض ا ن นี้เดือนอสงเกตินี้ที่พวกเราทุกคนเล่นลูกประธานสาววดหรือว่พี่น้องท่านใดก็ตามที่อาจจะมารับชมในภายหลังอย่าล้อขอพระองค์นั้นได้ประทานความอดทนให้กับพวกเราขอให้เราได้มีความอดทนในการเป็นบา ท, ที่ดีของพระวก เพื่อให้พวกนั้นรักเราได้เถิดยาวร้อถ้าเกิดว่าเราเจอบททดสอบใดก็ตามยาวร้อยอย่าให้มันหนักเกินความสามารถของเราแล้วก็อย่าให้เราเจอบททดสอบหนักหนักเหมือนกับที่พวกทดสอบกลุ่มคนก่อนหน้าพวกเราเรานั้นเป็นบ่าวของพค์ที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนเอแต่เรานั้นก็รักพงค์แล้วเรานั้นก็พยายามทําตัวเป็นบ่าว ที่ดีที่สุดของพระองค์เท่าที่พวกเรานั้นจะทำได้โปรดเมตตาเราโปรดให้อภัยเราแล้วก็โปรดให้เรามีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วก็มีความรักในการเป็นบาวของพระองค์รักในการงานใดก็ตามที่จะทำให้พระงคนั้นรักเราแล้วก็รักกลุ่มชนใดก็ตามที่พระองค์นั้นรักพวกเขาด้วยเถิดอามินครับอาคูลูเกลีฮาเต واسقفو الله لي ولكم ويساء مسلمين منكم واسقفو وا إن هو القفور ر ح س م س ب ح ا ن ا ل الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أ َ ع ْ ص َْ ك َ و َ ت ُ و ب ا لَا ي َ س ْ ل َ ع ْ مَعَكُمْ وَرَحْطُ الله و َ ب َ ر ك َ ت ه ُ